แล้วไม่ใช่ทําอย่างนี้วันเดียวด้วยปานาติบาตก็มากบางวันเนี่ยไปหาใส่แล้วใส่ที่บ้านมันไม่ถูกอ่ะทาไงอ่ะเออใส่คนอื่นทําไมเขาถูกมากจังตายของคนอื่นหมานจังเขาว่างั้นไปขโมยเลยลักเอาของเขามาอีกนะเขาเรียกว่าทําความชั่วทางกายอาทินนาทานก็เกิดขึ้นนะไว้ถ้าไม่ฆ่าก็ไม่ได้กินปานาติบาตก็ทําถ้าไม่ลักก็ไม่พอกินอทินนาทานก็ทํา บางคนก็ยอมผิดศีลยอมเสียธรรมล่วงถึงการเมศสุมิชฉาจารต่อไปอีกพวกนี้เขาเรียกว่าทำความชั่วทางกายแล้วยังไม่พอเจ้าของเขามาถามหาเข้าทำความชั่วทางวาจาอีกนะหลอกเอกมุสาวาตเอกโอ้ยไม่ได้ขโมยหรอกไม่เคยลักเคยขโมยไม่เคยหยิบเอาของของใครซักทีหนึ่งอันนี้มุสาวาตโกหกชั่วทางวาจาอีกเจ้าของเขารุกหนักเข้า ผมไม่ได้ขโมยไอ้คนโน้นมันขโมยแทนยุให้ร้ายป้ายสีคนอื่นไปอีกส่อเสียดอีกทีนี้ส่อเสียดเลยคนโน้นมันขโมยคนนี้ไม่ขโมยไอ้เจ้าข อ, ของมาบอกไม่เชื่อด่าคํากันหยาบคำคลายกันแนละ้วดา่าคําหยาบคาคายพุทสวาจาิก็เข้ามาอีกบางคนก็ล่วงละเมิดบอกมาพูดเพอเจอหาฮะเรื่องฮาเรามากลบมากเกลื่อนทําเป็นไม่สนใจเพอเจอก็เข้ามา อันความชั่วทางกายก็บริบูรณ์ความชั่วทางวาจาก็บริบูรณ์หนักๆเข้าไอคนเพื่อนบ้านเนี่ยมันได้ของดีๆอาภิชาก็เกิดขึ้นอีกแม่ทํายังไงจะไปเอาของเขามามันคี้แต่จะลักจะขโมยอันของที่มันหายบ่อยที่สุดคือของในสลัมพวกที่มันอยู่อย่างทุกๆยากๆเนี่ยนะมันคี้แต่จะเอาของซึ่งกันและกันอันอาภิชานี่จะเกิดบ่อยมโนกรรมเนี่ยเกิดมากแล้วก็ยังไม่พอ เจ้าของทรัพย์นี่ก็พยาบาทก็จะเกิดขึ้นเมื่อแช่งชักหักกระดูกในใจเขาตลอดเมือ่อใดไอคนนั้นมันจะตายสักทีหนึง่งทำไมมีแต่การแช่งชักหักกระดูกฉั้นคนที่มีความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเหล่านี้แล้วปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพ่อแม่ไม่มีบุญคุณการให้ทานไม่มีผลการรักษาศีลไม่มีผล นันความชั่วทางกายทางวาจาเขาก็บริบูตรเกิดมารูปชั่วตัวดำไร้ทรัพ์อับจนไม่มีสติปัญญาหาเช้ากินขําก่อกรรมทำชั่วทั้งทางกายทั้งทางวาจาเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปเนี่ยนั่นก็คือความยุติธรรมของสังสารวัฏเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปก็เข้าถึงอบายทุขติวินิบัตินรก มันก็เหมือนกับเราธรรมดาใช่ไหมถึงเราจะลืมเจ็บเจ็บไม่ลืมเราเลืมแก่แก่ไม่ลืมเราเราลืมตายตายไม่ลืมเร า, เร า, า, า, เราถึงเราจะก่อกรรมทําชั่วทางกายทางวาจาทางใจเราลืมกรรมและผลของกรรมแต่กรรมไม่ลืมเราแนะ่ยิ่งโง่ามากกรรมยิ่งให้ผลมากเรียกว่าประโยควิบัติอากุศลยิ่งให้ผลมากดงั้นคนที่ ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้เป็นคนที่ประพฤติความไม่ดีทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยเขาน่าสงสารมากชีวิตเกิดมาบุญที่ทําให้เขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นบุญบุญที่มันน้อยนิดเหลือเกินทําให้มาเกิดในตระกูลต่าําเหตุใดทําให้คนเกิดในตระกูลต่าํารู้ไหมกรรมอะไรหนอที่ทําให้เขามาเกิดในตระกูลต่าํากรรมคือกรรมประเภทขาดความอ่อนน้อม เรียกว่าไม่เคารพในสิ่งที่ควรเคารพไม่นับถือไม่บูชาสิ่งที่ควรบูชาเช่นสมณะพราหมู้มีศีลมีธรรมเป็นต้นเป็นผู้ที่ควรเคารพควรนับถือควรบูชาแต่คนเหล่านี้ขาดการเคารพขาดการนับถือขาดการบูชาเมื่อไม่เคารพไม่บูชาเขาก็เกิดในตระกูลต่งํงเกิดในตระกูลต่ำทำไมเขาจึงรูปชั่วตัวดำเหตุใดหนอ กรรมอะไรที่ทําให้เขาเกิดในเป็นคนรูปชั่วตัวดํากรรมประเภทโทสะมากเป็นคนมีโทสะมากก็เลยทําให้คนรูปชั่วตัวดําเขาเกิดในตระกูลต่ําเขาไม่ได้มีคนนับหน้าถือตาเพราะกรรมประเภทริษยามาให้ผลสรุปแล้วก็คือมาจากอกุศลเป็นบริวารของกุศล น, นั้นๆทําให้เขาเกิดในตระกูลต่ําพอเกิดในตระกูลต่ํา ขาดกัลายาณมิตรขาดปฏิรูประเทศวาสะขาดสัพปริสูสังเสวะขาดการฟังสัตยธรรมของสัตบุรุษพ้นอุปนิสัยสะสมใหม่ชีวิตเข้ามหน้าสงสารตายแล้วไปเกิดในอบายทุกขติวิบัตินรกตายแล้วไปเกิดเป็นเดรชานเป็นต้นเกิดเป็นหมูเป็นม้าเป็นกาเป็นไก่เป็นวัวเป็นควายเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสัตว์นรกหาความสุขสงบไม่ได้เลย เป็นอยู่ในพบภูมิที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความยากความลําบากก่อนที่จะมานี่ไปพักที่วัดจากแดงกับพระจักรสุมล ม, มาไปคือวัดจากแดงมีหมาขี้เรือนอยู่ประมาณสองสาตัวไอ้ที่เอาเป็นหนักๆเลยนะไอ้เป็นแบบธรรมดาธรรมดาก็าธรรมดาเนี้ยเอาเป็นหนักๆในไอ้ตัวหนึ่งเนี่ยนะมันเป็นมากเลยนะมันเหมือนกับหนังช้างอะ่ะทางหัวเนี่ยสีขวาทั้งหูเนี่ยนะมันมันเรือนเต็มที่เลยอะ่ะ แล้วก็ไปถึงตาด้วยที่นี่มันคันเมื่อเช้าคุยคุณมณชมูชูเล่าว่ามันมีมแมลงตัวชนิดหนึ่งชนิหนึ่งที่มันไปกัดกินอยู่ในนั้นตลอดมันก็เกาอ่ะนะมันเกาเนี่ยมันไม่ใช่เกาแบบธรรมดา <_ Pic ard> ค่อยๆเกามันเกาแบบเอาเอาเล็บเท้าเนี่ยนะเหมือนกับจะฉีกเนื้อตรงนั้นออกมันเกาเนี่ยแทกแทกแทกลงไปเนี่ยนะเหมือนกับจะฉีกเนื้อตรงเนี่ยลูกตาเนี่ย ika, ไม่รู้ว่าสงสัยจะบอดไปแล้วล่ะไอตาข้างนั้นอ่ะข้างขวานั้น แล้วพร้อมก็ระรองหิ้วสมณเนรคนหนึ่งนี่เอากระดูบไปเทให้มันรีบไปกัดกินเนี่ยมันกัดกินเนี่ยน้ำลายเนี่ยไหลลงในถ้วยนั่นแหละโอุ้ยมันทุกข์มันทรมานเออเนาะทีนี้ก็มาคิดต่อไปเออไอ้นี่ขณะที่มันกินมันกินด้วยชาวนะเป็นกุศลหรืออกุศลกินด้วยชาวนะที่เป็นอกุศลโลภะตะกะตะกลามอดอยากหิ้วเฮ้ย อันมันคนหิวเนี่ยนะมันไม่นึกถึงบุญถึงบาตรหรอกมันนึกถึงแต่ว่าทํายังไงจะมายาท้องยาไสยากระเพาะ อ, อยู่ได้แค่นั้นน่ยแล้วชวนะของเขาเนี่ยเป็นแต่บาปเป็นแต่อกุศลอยู่ตลอดเคยไหมนิทัศการสุนัขจัดฟังธรรมอย่างเงี้ยไม่มีสุนักนิทัศการสุนัขให้ทานอย่างเงี้ยประเพณีสุนัขให้ทานไม่มีอันพวกนี้ไปเกิดในอบายแล้วจากอบายสู่อบายจากเดรัจฉานสู่เดรัจฉานจากเดรัจฉานสู่อสุรกาย จากเดรัชานสู่เปรตจากเดรัชานสู่นรกมันก็มีแต่ไปต่ําบางครั้งบางคราวถ้าเขามาเกิดใหม่ก็มาเกิดเป็นคนตระกูลต่ําอีกนั่นแหละแล้วก็ไปต่ําถามว่าสิ่งเหล่านี้ใครบันดาลให้เขากายกรรมนั่นเองเป็นตัวบันดาลให้เขาวจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละเป็นตัวบันดาลให้เขาสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมตัมมุนาวัตติโลโกโอยู่ที่ไหนยอมกายกรรมเนี่ย ก็นั่งนิ่งๆเลยเรียกว่าตายกรรมลนะของอาตมานี่กําลังทำวิจีกรรมอยู่นะถ้าทําพูดดีก็บุญไปดีไปนะทําไม่ดีก็โอ๊ยไปรับผลเนี่ยไม่หวาดไม่ไว้เลยเขาบอกว่าปลูกพืชเช่นใดก็จะได้รับเช่นนั้นสิ่งที่ทําคําที่พูดเรื่องที่คิดเนี่ยนะสภาพแห่งความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้เนี่ยเราเป็นทายาทแห่งกรรมใช่ไหมทายาทก็คือผู้รับมรดกเป็นผู้รับมรดกทางกายทางวาจาทางใจเหล่านี้ มันไม่ต้องห่วงสิ่งที่เราทำเหล่านี้จะไม่เป็นหมันเลยกรรมเป็นหมันไหมไม่เป็นหมันแน่นอนมีโอกาสเข้าให้ผลทันทีอาศัยกาลคติอุปธิปโยคะเหตุปัจจัยเหล่านี้กรรมให้ผลแน่นอนไม่ต้องห่วงทีนี้มาดูข้อต่อไปบุคคลมืดมาแล้วเนี่ยนะมีสว่างไปในเบื้องหน้า ก็คือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลช่างสารตระกูลพรานตระกูลช่างหนังตระกูลคนรับจ้างเทเขยะทั้งยากจนขัดสนข้าวน้ำของกินโอ้ยอดอยากหิวโหยเป็นอยู่อย่างแรนแค้นหาอาหารเครื่องนุ่งห่มได้โดยฝืดเครืองซ้ำเป็นคนขี้ริ้วขี้เรเตี้แคะถ้าหากว่าคนงามเนี่ยนะเดินไปที่ไหนใครก็อยากเห็นใช่ไหมคนไม่งามไปไป ก็จะถูกไล่ถูกต้อนไล่นี้ไปเรียกว่าเหมือนกับไล่เหมือนกับพวกสัตว์ในอบายนะทั้งเป็นคนเตี้ยแครบอมไปด้วยโรคเออบางคนเนี่ยเป็นอย่า ง, งานั้นตาในร้ายแห่งพอแม่ของคนบางคนเนี่ยยากจนมากหาเช้ากินคำ่ำลูกแต่ละคนเนี่ยปว่วยเจ็บอดอดแอดแ ด, อ ด, อ ด, อดบางคนเป็นโรคหัวใจบางคนเป็นโรคตาโรคจมูกโรคแขนโรคขาปวดหัวตัวร้อนโรคกระเพาะโรคลำไส้อะนะร้องอด อ, อยวยคนขัง พ่อแม่ก็ทำมาหากินเอากว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสตังค์รวบรวมมาก็ไปจา่ายค่าอยู่ค่ายาจาย่ายค่าหมอหมดมาทำมาหากินต่อไปมัวแต่หาอยู่หายาบางทีไม่ทันส่งลูกไปเรียนลูกก็โตวั น, โ ต, วนโตคืนไปอย่างนั้นแหละไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยเดินตามทางของพ่อของแม่พ่อแม่เคยใช้ชีวิตมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นนั่นแหละแต่บางคนเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้น เกิดมาในตระกูลยากจนไร้รั์เป็นต้นพวกนี้แล้วเนี่ยข้าวของเงินทองก็หายากทั้งข้าวทั้งน้ำทั้งผ้ายืดยานภาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูกไลที่นอนเครื่องประทีบบุคคลนั้นก็เป็นของที่หาอย่างยากแต่บุคคลนั้นประพฤติสุดจริตด้วยกายเรียกว่าสุดจริตด้วยกายก็คือมีศีลทางกายสุดจริตทางวาจา มีศีลทางวาจาสุดจริตทางใจมีความดีทางใจครั้นประพฤติความดีความสุดจริตทางกายทางวาจาทางใจแล้วแตกกายตายไป ย, ย, ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้แหละบุคคลมืดมาแล้วมีสว่างไปในภายหน้าถึงเกิดมารูปจนโรคชั่วตัวดําไรซั์เป็นต้นเนี่ยนะแต่ก็ไม่ประมาททางกายไม่ยอมเอากายกรรมไปทําความชั่ว มีโยมคนหนึ่งเนี่ยเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งนะอยู่บ้านห่างจากอาตมาพอสมควรเขามาเล่าว่าเออเกิดมาชาตินี้พ่อแม่จะจนก็ช่างมันเถอะผมได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยผมพอใจแล้วเขาบอกกันส่วนที่เหลือในการสร้างคุณงามความดีต่อไปเป็นหน้าที่ของผมใช่ไหมหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทําเหตุในอดีตเราไปเปลี่ยนแปลงได้ที่ไหนกรรมในอดีตเราจะเปลี่ยนแปลงได้หรือสิ่งที่เราทําในอดีตเราก็ ก็ได้รับแล้วถามว่าในโลกในกรรมนี้ยุติธรรมไหยหลักกรรมนี่ ย, ยุติธรรมที่สุดที่เราเกิดมารูปชั่วตัวดําเป็นต้นเนี่ยหาเช้ากินค่ําอดอยากหิวหยสิ่งเหล่านี้ยุติธรรมแล้วไม่ต้องห่วงหรอกมันสมควรแก่เหตุแล้วผลที่เราได้รับเนี่ยสาวลงไปหาเหตุหาปัจจัยเนี่ยสมควรแล้วบางคนเนี่ยนะตามที่อนามาเคยสังเกตดูนิสัยของคนหลายคน นิสัยของเด็กบางคนเนี่ยนะตั้งแต่เล็กมาถูกพ่อแม่ทรมานถูกเตะถูกต่อยถูกตีมาบ่อยมากเราก็เอ๊มันดูเหมือนไม่ยุติธรรมเลยเหมือนกับไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมโอ้เด็กดีๆเนี่ยทำไมจึงถูกคมเหงกดขี่ถูกรังแกมากเหลือเกินแต่ถ้าหากว่าเราดูนิสัยของเด็กคนนี้ตลอดสายเราจะรู้เลยว่าเด็กคนนี้ส่วนหนึ่งมีนิสัยเฮี้ยมโหดพอสมควร สมพรกับเหตุเขามีอุปนิสัยอันนั้นมาถ้าคนแบบนี้ได้เป็นใหญ่เป็นโตเขาจะใช้อำนาจบาทใหญ่ที่เขาเคยถูกกดขี่ข่มเหงมาประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยอยู่เลยพอเขามีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตหน่อยปั๊บเป็นหัวหน้าหน่อยปับ๊บเขาจะใช้อวิชาเหี้ยมโหดที่เขาเคยได้รับสมัยเป็นเด็กๆมาเออกรรมนี่มันยุติธรรมจริงๆคนบางคนนี่เราสังเกตเอ๊ะทำไมคนนั้นเป็นคนยากคนจนคนทุกคนยาก คนเหล่านี้ไม่มีการคิดจะให้ทานอยู่ในสมองเลยใช่ไหมไม่มีวันโน้นจะถึงวันบุญวันกุศลวันพระวันเจ้าเป็นวันรักษาศีลเป็นวังฟังคําไม่มีอยู่ในสมองไม่มีอยู่ในความคิดของเขาเลยอะ่ะแต่บางคนเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมบางคนเนี่ยเขาเขาคิดว่าโอ้ที่เขาเกิดมาเป็นคนทุกข์คนยากคนยากคนจนเนี่ยเพราะเขาทําบุญไว้น้อยเขาจะทําด้วยมือของเขานี่แหละ เพื่อเขาจะได้อยู่สุขสบายในภายภาคหน้าก็เหมือนกับประวัติพระอนุรุทธะอนุรุทธะผู้เป็นเอตทัคฆะในด้านที่พระจักสุขสมัยที่เกิดเป็นนายอันนภาระเป็นคนทุกข์คนยากคนยากคนจนจนแล้วก็ทำงานหาเกี่ยวหญ้ามาเลี้ยงมา้าเลี้ยงสัตว์ให้เศรษฐีคนนึงทีนี้ความอดอยากยหิ้วหวยเนี่ยถ้าบอกว่าช่วงไหนไม่ได้เกี่ยวหญ้านะราคามันต่ำนะเอาย่ามาขายเนี่ยราคามันต่า เพราะว่าไปเกี่ยวมามันไม่ใช่เป็นญ่าชั้นดีอะไรว่าไปเกี่ยวพวกเศษญ่าพวกอะไรมาก็ราคาอย่างต่ําหาอยู่หากินยากข้าวปลาอาหารแต่ละมือนี่ก็เป็นอยู่ยากเหลือเกินอดอยากอยู่อย่างนี้มานานวันหนึ่งเนี่ยพระประเจ ก, กับพระทธเจ้าอุปริทหาเนี่ยเดินบินฑบาตผ่านมาท่านเห็นปุ๊บท่านนึกเลยโอ้โหเราเนาะเกิดมาเป็นคนทุกคนยากไม่เหมือนกับเศรษฐีเคราะหบดีคนมั่งมีคนมั่งคั่งคนอื่นนั้ น, น, น นี่ที่เราเป็นอยู่อย่างนี้เพราะเราไม่ได้ให้ทานมาก่อนเราไม่ได้ทํากุศลกรรมมาก่อนเราไม่ได้ทําคุญแาความดีไว้ก่อนเอาเถอะเราจะให้ทานแล้วอีกอย่างหนึ่งแม้แต่เราคิดจะให้ทานบางครั้งข้าวของที่จะให้มีแต่ผู้รับไม่มีอยากทําบุญนะแต่ผู้รับไม่มีบางครั้งผู้รับมีดั้นไม่มีข้าวจะให้ไม่มีของจะให้ไม่มีของจะทําบุญบางครั้งนี่ก็ไม่มีทั้งสองอย่างเลยของที่จะให้ก็ไม่มี แล้วผู้รับก่อหมมีบางครั้งเนี่ยนะกว่าจะประจวบเหมาะทายกก็มีศรัทธาทายาทานทายธรรมเข้าของก็มีแล้วก็ผู้รับก็มีทีนี้ผู้รับอีกก็ยังคัดอีกใช่ไหมถึงมีศรัทธาแล้วข้าวของเครื่องใช้ที่จะให้ก็มีแล้วแต่ผู้รับมีคุณธรรมขนาดไหนถ้ามีคุณธรรมมากข้าวของที่เราให้ไปนั้นก็เป็นของที่มีผลมากถ้ามีคุณธรรมน้อย ข้าวของที่เราทําบุญไปก็มีผลน้อยมีอันนี้สงน้อยก็เหมือนกับเราทำงานนั่นแหละก็มีพันธุ์ข้าวอยู่กับบุงหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละไปเจอนาแล้งเข้าไปข้าวปีนี้ย้าขึ้นเต้ไม่หมดเก็บเกี่ยวได้หน่อยนึงบางทีเนี่ยหวานเข้าไปในานาน้ําท่วมอา้าวอดอีกแล้วใช่ไหมแล้งก็อดย้าขึ้นมากก็อดปีไหนฝนดีอีกปูดันลงอีกโอปูเนี่ยเหมือนกับกันไกเคลื่อนที่อะโยไม่มันเข้านัไปกัดแคคแคคแคคแคคคคเนี่ยนะ เขาบอกว่าโยมคนหนึ่งมาเล่าว่าโอ้ยอาจารย์ข้าน้อยทุกข์ใจหลายปีนี่เพคะเขาอีสานเขานะ่เขาบอกเอ๊ะผมเนี่ยทุกข์มากยังไงอะโยมก็บอกข้าวผมที่กําลังลงไปอย่างขึ้นง้อมขจีเนี่ยนะปูเนี่ยมันมากัดกินหมดผมจะทํายังไงดีอาจารย์ครับว่าโอ้ยถ้าถามมาดมาก็จักแล้วไม่รู้หรอกเขาบอกว่ามันเหลือวิธีสุดท้ายที่ผมจะแก้ปัญหาตอนนี้ วิธีนั้นก็คือไปเซยยามาเซยยาตราปูมันจะมีรูปปูอยู่ข้างๆกันรอน่ะเสร็จแล้วก็มาคลุกข้าวแห้งมาคลุกข้าวให้มันเข้ากันอย่างดีแล้วก็หวานลงไปในนาเช้ารุ่งขึ้นมาเนี่มันลอยเป็นแหนบไปหมดเลยนะเป็นปูเนี่ยเป็นล้ายพันตัวมันมันไม่ใช่แปลงเดียวใช่ไหยมันล้ายสิปแปลงเนี่ยนะนาเนี่ยเม้นขาวคราคลุงไปหมด นี่ปัญหาด้านปูเนี่ยก็เข้ามาปัญหาปูยังไม่พอนะเอะพวกเพลี้ยพวกอะไรมันเข้าไปกินข้าวอ่ะช่วงข้าวกำลังตั้งท้องบอดี้ทำไงอีกฉีดยาอกโอ้โหกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดเนี่ยมันยากจริงๆดังั้นการทําคุณงารความดีเนี่ยที่จะได้เหตุได้ปัจจัยพร้อมเนี่ยมันยากการทําบุญทํากุศลก็เหมือนกันหลายคนอย่างในยุคนี้เหมือนกันนะโอ้โหบางคนนี่อุตสศัก์เก็บหอมรอมริบทั้งชีวิตมา ได้เงินอยู่เงินเก็บอยู่แสนหนึ่งนะมุตนะโอ้โหมีเงินเก็บอยู่แสนหนึ่งข่าวครา ว, าวกิติศัพท์บอกโอ้ยวัดโน้นเป็นวัดปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบโอ้นี่แหละเนื้อนาบุญเอาไปถึงตกเลยเสื้อบุญเลยแสนหนึ่งหมดตัวพอดีเลยพอหมดตัวเข้าเป็นไงรู้ป่ะไอที่เราว่าดีไม่ดีจริงอ่ะโอ้โหเรานึกมีวนาชั้นยอดเราจะโปะเท่าน่อยที่ไหนได้กลับมานั่งเสียใจอีกวัดนั้นๆมีปัญหามีเรื่องมีเรามีข่าวคราว มันน้ำตาเช็ดหัวเขาอยู่บ้านโอ้ยคิดว่าเขาดีจริงๆกลับไม่ดีเหมือนกับที่เราคิดโอ้ยพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าไม่มีดีสักองค์หรอกเลิกทําบุญเลิกให้ทานไปก็มีเขาบอกว่ามันมีปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือเพราะคนทําบุญไม่เป็นชาวบ้านส่วนหนึ่งเลิกทําบุญเลิกใสบ่บาตรโอ้ยไม่มีดีสักองค์หรอกนับถือแต่ประพุทธพระธรรมก็พอพระ ส, ระสงฆ์เลิกนับถือแล้วมันเป็นอย่างนั้นเลยเพราะแยกไม่ออกคือเกิดมาก็เป็นคนทุกคนยากคนยา ก, ค น, ยากคนจนอยู่แล้วใช่ไหม เดบห้อมรอมเรียบเนี่ยอาบเหงื่อต่างน้ํากว่าจะได้มีอยู่มีกินแต่ละมือเนี่ยก็ยากอุตส่าห์สะสมเพื่อจะทําบุญให้ทานนั้นถูกหลอกมาอีกทีนี้ทําไงอ่ะเลิกให้ทานซะเลยนานๆเข้าบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีพ่อแม่ไม่มีบุญคุณมีชา้าที่ถๆก็เริ่มระบาดหนักเข้าไปอีกอันนี้ทํำยังไงปัญหาเหล่านี้เราแก้ที่ไหนแก้ที่ตัวเรานั่นแหละเราเป็นอย่างนั้นไหม อันวิธีการแก้ปัญหาเริ่มแก้ที่ตัวเราเราเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นก็ดีแล้วแต่ถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราจะแก้ไขปัญหาชีวิตเหล่านี้อย่างไรเราก็เริ่มหันหน้าเข้ามาศึกษาพระธรรมคําสอนเพราะว่าศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นบุคคลเมื่อเข้าถึงพระธรรมแล้วจะรู้จักพระผู้เทใเจ้ า, าสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เข้าไปถึงข้าพเจ้าขอถึงพระโคดมเป็นสารณะเลยนะ เขาไม่ได้เป็นมอบกายถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้าก่อนแต่เขาฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนเขาฟังธรรมเมื่อเขาฟังธรรมอย่างดีฟังจนเกิดความรู้ความเข้าใจฟังจนรู้แจ้งเห็นจริงพอเขาฟังจนรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเขาจึงมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมและแด่พระสงฆ์ของเราทั้งหลายก็เหมือนกันเราต้องหันหน้าเข้ามาศึกษาพระธรรมคำําสอนก่อน พระธรรมคาสอนของพระผู้มีพระภาคพระ อ, องค์ทรงตรัสว่าอย่างไรเราปฏิบัติตามได้ไหมถ้าเราปฏิบัติตามไม่ได้ผู้ศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อคนมีบุญเราก็คิดเองเรามีบุญพอที่จะศึกษาพระธรรมคําสอนของพระ อ, องค์ไหมถ้าเราบุญไม่พอแล้วรอเมื่อไหร่ใช่ไหมสมมุติถ้าเหมือนกับช่วงนี้ฝนกําลังตกใช่ไหมเออเนี่ยคนที่จะได้น้ํากินเนี่ยก็ต้องรองนะ้ําฝนอย่างเดียว ถ้าช่วงนี้เราไม่สามารถจะรองน้ําฝนได้เออถ้าวันต่อต่อไปฝนไม่ตกจะไปกินที่ไหนควนควายเถอะอะไรพอที่จะเป็นภาชนะรองรับพระธรรมคาสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เราก็ควนควายสแสวงหาภาชนะเพราะโลกนี้ถูกไฟไหมอยู่เป็นนิดใช่ไหมโลกนี้ถูกไฟไหมไฟคืออะไรมัง่งที่ไหมอยู่ไฟคือความเกิดเนี่ยก็แผดเผาเราอยู่ตลอดเวลา บอกได้ไหมว่าเราจะไม่เกิดอีกต่อไปถ้าเรายังล่าสมุทัยไม่ได้การเกิดอีกต่อไปมีแน่นอนเพราะว่ากายกรรมวันนี้ใครไม่เดินไม่ยืนไม่นั่งไม่นอนมั่งมีไหมแสดงว่ามีกายกรรมและมีการขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นกายกรรมใครไม่พูดมาง่งก็พูดกันทุกคนคำพูดทุกคำที่พูดออกมาสิ่งนั้นเป็นวจีกรรม ใครไม่คิดบ้างตืงนกะเช้ามาไม่คิดอะไรสักอย่างเลยนะไม่รับรู้อะไรสักอย่างเลยในโลกมีไหมไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นมโนกรรมกายกรรมก็มีวจีกรรมก็มีมโนกรรมก็มีเห็นอะไรแล้วเรารู้สึกโอ้โหพิจารณาสิ่งเหล่านี้ไม่มีเที่ยงสักอย่างเลยคิดอย่างนี้ไหมเปลา่าโอ้อันนี้ก็ดีอันนั้นก็งงามอันนั้นเจออาหาร อ, อร่อยแม่บนโตเนี่ยดูโอ้โหส้มนี่อันน่าทานกล้วยแล้วก็ลูกมันน่าดูเหมือนกันอันนั้นก็ดีอันนี้อร่อยไปหมด โอ้เกิดอีกนนะไม่ต้องห่วงหรอกเพราะสมุทัยความเพลิดเพลินอันนั้นแหละเป็นเหตุเกิดแห่งวัตทุกข์ยินดีติดใจเมื่ อ, อไ ร, ร่รู้เธอว่าเกิดอีกแล้วเพราะตันหาโปโนพรวิการนันทิราค้าสหคตาตัวที่ยินดีตัวที่เพลิดเพลินตัวนั้นแหละเป็นเหมือนกับมารดาที่พาสัตว์เกิดไม่ต้องห่วงอีกว่าไม่ได้เกิดเกิดเกิ ด, กดที่ไหนใช่ไหมอย่างคนคนนี้เขาเรียกว่ามืดมาช่างมันเถอะ เกิดมาแล้วรูปชั่วตัวดาไร้รั์แต่ก็ช่างมันที่เราเป็นอย่างนี้เพราะเราขาดศรัทธามาทาอย่างไรเราจะมีศรัทธาเขาเริ่มศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนี้เรียกว่าเริ่มมีศรัทธาพระพุทธเจ้านี้ไม่เคยสอนให้คนงูไม่สอนให้คนงม ง, งายแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นพระอระหันตตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง ท่านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะท่านเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารทีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมไพราะในเบื้องต้นไพราะในท่ามกลางไพราะในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์คือแบบแผนแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่มีติดไม่มีขัดเมื่อเราศึกษาพระธรรมคำสอนของท่านเราก็จะเริ่มรู้หนทางเมื่อก่อนเป็นคนหลงทิศหลงทางไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลอกุศลไม่รู้อะไรเป็นโทษไม่เป็นโทษหันมาศึกษาพระธรรมคาสอนก็เริ่มรู้ว่าอะไรเป็นโทษไม่ใช่โทษ บุคคลเมื่อมีศรัทธาเช่นนี้แล้วเมื่อมีศรัทธามากๆขึ้นเมื่อมีศรัทธาเริ่มรู้ดีรู้ชั่วเขาเริ่มเว้นในสิ่งที่ไม่ควรทำสิ่งไหนเป็นทุกข์เป็นโทษเขาจะเว้นไม่ทำอันนี้เป็นศีลเขาจะเริ่มหันเข้าไปปฏิบัติในสิ่งที่ดีมีประโยชน์มากขึ้นการเว้นเป็นศีลการปฏิบัติก็เป็น ศีลเพราะเจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลเจตนาของบุคคลผู้งดเว้นเป็นศีลเจตนาของบุคคลผู้ตั้งใจปฏิบัติก็เป็นศีลศีลเหล่านั้นจะมีผลมากเมื่อมีการศึกษาอย่างดีศึกษาอย่างถูกต้องการเรียนการฟังให้เข้าใจเนื้อหาสิ่ง น, นั้นๆอย่างถูกต้องอันนี้เป็นสุตตะเมื่อเขามีสุตตะเขาเริ่มเสียสละความชั่วทางกายทางวาจาทางใจ ความชั่วอันใดที่จะเริ่มละเริ่มคลายก็เริ่มละคลายออกไปอันนั้นเป็นจากะเขาทําด้วยความไม่หลงทําด้วยความไม่งมงายทำด้วยความรอบรู้อาศัยขําำคําสอนนั่นแหละเป็นเครื่องชี้เครื่องเมขเขาอันนั้นเป็นปัญญาของเขาอันเมื่อเขามีกายกรรมที่ดีมีวิีกรรมที่ดีมีมนโนกรรมที่ดีกายกรรมประกอบไปด้วยศีน สมาธิปัญญาวาจีกรรมเป็นไปกับศีลสมาธิปัญญามโนกรรมเป็นไปกับศีลสมาธิปัญญาเมื่อเขาทําความดีอย่างนี้มากเข้าเบื้องหน้าแต่ตาย ต, ตายแต่ไปก็เข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์คําว่าสุขคติเนี่ยนะเป็นชื่อของภพที่ดีพวกเรานี่สุขคติไหมสุขคตินะการเกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละเป็นสุขคติ เท ว, วดาก็เป็นสุขติไม่ว่าจะเป็นเท ว, วดาชั้นจาตูมชั้นดาวดึงชั้นยามาดุสิตนิ ม, มานารดีปรนิมิตตวสวัสดีหรือพรหมโลกอโลกะโรปพรหมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเรียกว่าสุขติแล้วก็โลกสวรรค์แต่มนุษย์เนี่ยสุขติส่วนที่เหลือนั้นเรียกว่าโลกสวรรค์สุขติโลกสวรรค์เหล่านี้ก็มาจากกุศลกรรมที่เป็นกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริต ถ้าเขามีคุณธรรมประกอบเหล่านี้เขาก็ไปดีในเบื้องหน้าคนอย่างนี้ช่างมันเถอดใช่ไหมมืดมาแล้วเนี่ยกรรมมันก็ยุติธรรมแล้วให้เกิดมาเป็นคนรูปชั่วตัวดำแต่ไม่เลิอกอะนะไม่ท้อในวาสนาไม่สุดแท้แต่วาสนาที่เราเป็นอย่างนี้เพราะเราประมาทมาแต่การก่อนก็ไม่ประมาทพอไม่ประมาทชีวิตเลยได้ดีต่อไปแต่ถ้าเราประมาทใครเป็นศัตรูใคร ถามหาความยุติธรรมจากใครถ้าเราไม่แสแวงหาคุณงามความดีไม่หากุศลใส่ตัวที่เหลือเราก็ทําบาปเมื่อทําบาปไม่ต้องร้องหาความยุติธรรมหรอกอากุศลมันยุติธรรมกับคุณที่สุดแล้วสมควรเจ็บเท่านี้นะสมควรเจ็บเท่านั้นสมควรเจ็บเท่านี้ใช่ไหมอากุศลมันทวงคืนเนี่ยนะชั้นต้นเลยเสียทรัพย์เสียสินเสียมิตรเสียพวกเสียพ้องเสียนั้นก็คือเกิดมาเป็นคนกำพ้าเป็นต้น ถ้ามันทวงมากขึ้นอีกเสียเนื้อเสียเลือดเสียอวัยวะเคยมีตาตาก็อบอดมีผมบนศีรษะผมก็ไม่ดีมีผิวพัน์ผิวพันธุก็โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีหัวก็ปวดหัวมีฟันก็ปว ด, ปวดฟันมีหูก็เจ็บหูหนัะนะ่นแหละเนาะมีปากยังเจ็บปากเลยมีตัวมีคอก็ยังเจ็บคอมะคืนยังไอแคคแอยู่เลยมันเป็นไมหมดนั่นแหละอากุศลมันให้ผลได้หมดส่วนไหนมั่งที่ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละ ถ้าหากว่าเราเจริญสิ่งที่เป็นอกนุศลเรานั่นแหละเป็นคนรับอย่าลืมนะทายาแทแห่งกรรมนั้นอยู่ที่ที่เราท่านทั้งหลายนั่นเองขันห้าเป็นที่ดูบุญดูบาคนจะทําความดีก็อาศัยขันห้านั่นแหละจะรับผลแห่งความดีก็อาศัยขันห้านั่นแหละเพราะฉะนั้นขันบางอย่างเป็นกุศลขันบางอย่างเป็นอกุศลขันบางอย่างเป็นที่บากขันบางอย่างเป็นกิริยา ขันที่เป็นกุศลได้แก่นา ม, มาขันสี่ได้แก่กุศลจิตยี่บเอ็ดเจตสิกที่ประกอบรวบรวมเลยสามสิบแปดนักอภิธรรมก็จะได้อาไคิดต่อได้ไม่ได้เรียนอภิธรรมก็ฟังอาบุญไปก่อนทีนี้บุคคลประเภทที่สามโชติตะมะปรายโนสว่างมาแล้วมีมืดไปในภายหน้าเกิดสว่างมาแล้วก็มืดไปเป็นยังไง บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูงคือตระกูลกษัตริย์มหาศาลคือคําว่ามหาศาลเนี่ยบ่งบอกถึงความมั่งคั่งร่ํารวยเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลตระกูลเครือาบดีมหาศาลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีเงินมีทองมีข้าวของเครื่องใช้มีทรัพย์ธัญชาติเป็นอันมากทั้งมีรูปร่างสะสวยเจริญตาเจริญใจมองเห็นแล้วคนเนี่ยมองเห็นหน้าปั๊บยิ้มแป้เลย เออบางคนนี่เขามีบุญขนาดนั้นนะคนบางคนมองเห็นหน้าเขาปับ๊บโอ้โลกนี้มีความสุขแล้วล่ะเออบางคนนี่เป็นอย่างนั้นนะบางคนนี่เห็นหน้าปั๊บเนี่ย โ, โหยเครียดกันทั้งหมดทั้งห้องเลยนะเอาลองมาหาโจรถือปืนเดินเข้ามาดิคนเราเนี่เครียดหมดเลยนะถ้าเห็นในหลวงเห็นคนมีบุญเข้ามาเนี่ยโอยต่างคนเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นอันผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะอันเขามีรูปร่างสาสวยประกอบด้วยผิวพรรณงดงามยิ่งนัก มีปกติได้ข้าวน้ำเทียว่าหาข้าวหาน้ำหาผ้าหยดยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล่ที่นอนที่อยู่และเครื่องประทิปอย่างไม่ยาก